อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่16มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ําเดือน7ค่ะรายการที่จะนํามาเสนอท่านผู้ฟังเป็นรายการแรกหลังจากเปิดสถานีในเวลาตี5ของทุกวันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนประจําของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคงทราบกันดีล่ะค่ะว่าคือรายการธรรมารับอรุณนะคะ และเมื่อพบกันวันนี้เป็นวันเสราร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมะหรือการสากัะชานั่นเองนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมากราบน้ำพารีการพระอาจารย์ไพบูุ์อภิปุโนท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริเล้นปิดวาจาตา ผุธโอดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนไหยโศกตำบนรดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเอกพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตุภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะ พบกันในเช้าวันนี้ก็คิดว่าคงจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้มากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ไพบุต์อภิปุนโนแล้วก็ฟังท่านสนทนาธรรมนะคะหรือว่าสากาักษาในเรื่องที่เราได้สนทนาติดต่อกันมาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วลวะคะ่ะเป็นเป็นการเฉลิมฉลองที่ว่าเดือนนี้ เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันวิสาขบาูชาก็คือวันที่องค์พระศามาสัมพุติเจ้านั้นได้ประสูตรสรัสรู้และปรินิพานในวันวิสาขบาูชานะคะก็เป็นเรื่องของแก่นคําสอนของพุทธองค์ค่ะปฏิจจสมุตบาท น, นะคะซึ่งพระอาจารย์ใบบุญอภิปุโนท่านได้เมตตาสาธามาหลายตอนด้วยกันแล้วล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็จะนําท่านผู้ฟังมาสนทนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของ ทำที่อาศัยการและการเกิดขึ้นหรือปฏิจจสมุตบาทนี้กันต่อนะคะกราบนำ้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขะเชิญพานสาธุเจ้าข่าทุกครั้งที่ผ่านมานะเจ้าข้าประมาณ3ามสัปดาห์เนี่ยพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดในรายละเอียดลึกซึ้งเลยนะเจ้าข้าเกี่ยวกับปฏิจจสมุติบาท์ซึ่ ง, งก็คือเป็นปฐมเหตุ ท, ที่ทําให้เกิดที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดขึ้นในโลกนี้ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็เป็นแก่นคําสอนที่สําคัญของพระพุทธองค์เจ้าค่ะ<ช>ทีนี้ก็มีว่าเหตุมีอะไรบ้างในนี้ทางแก้ที่ว่าทั้งหลายแหล่นี้อยากขอกราบนรรมจารพระอาจารย์ได้เมตตาสากกะชาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคุณพรคือที่เราพูดไปส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คื อ, อความทุกข์เหตุ ข, ของความทุกข์เจ้าตัญหาเจ้าอาวิชชาพวกนี้นนเราพูดส่วนใหญ่ละเราพูดถึงกระบวนการการทํางานของมันตั้งแต่ตาเราเห็นรูป จิตเรารู้สึกยังไงมันไหลไปยังไงมีอวิชชาเกิดขึ้นยังไงทําไมเราถึงมีความเครียดความอะไรต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้นะไปแล้ว <Okay. S 1> สิ่งที่เราจะพูดต่อไปนะไปพูดไปนิดๆหน่อยๆก็คือทางดับทุกข์นี่ก็จะมาลงรายละเอียดให้ให้เป็นลึกซึ้งมากขึ้น <c oughs> ก็บุรุษชาพูดถึง เ, เวลาที่เราจะดับทุกข์ได้นี่นะคือเรามีทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมาแก้ทุกข์นะเราจะต้องทํำยังไงให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทุกข์ของเราเนี่ยอย่างถูกต้อง เมื่อเมื่อวันสัปดาห์ที่เราได้พูดไปว่าถ้าเรายังเข้าใจความทุกข์ไม่ถูกเราต้องเข้าใจความทุกข์ให้ถูกจะเข้าใจความทุกข์ถูกได้คุณจะต้องฟังธรรมจะฟังเมื่อฟังธรรมแล้วคุณก็จะมีศรัทธามีศรัทธาแล้วคุณจะแก้ถูกดาลาทีนี้ประเด็นคือตรงนี้จุดที่อ่อนไหวที่สุดจุดที่แบบคนจะหลุดได้ง่ายที่สุดก็คือว่าพอมีความทุกข์แล้วไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแพอไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็เลยไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็เลยไม่ได้มีการปฏิบัติแก้ทุกข์ เราพูดไปถึงจุดตรงนี้ขึ้นนั้นเองที่ว่าพอมีความทุกข์แล้วเราฟังธรรมฟังธรรมคือการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถูกต้องแล้วเราจะมีความเข้าใจเรื่องทุกข์ที่ถูกต้องเนียจึงจะมีศรัทธามีการปฏิบัติตรงนี้นทีนี้ถามว่าไอ้ศรัทธาปฏิบัติแล้วปฏิบัติอะไรที่ว่าไอ้ข้อมูลถูกต้องเนี่ยปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไงนีตรงนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะอันดับแรกก็คือว่าพอเรามีเพื่อนดีใช่ไหมคบคนดีจะเป็นเพื่อนที่ เป็นเพื่อนฝูงเป็นคบารวาเราก็ได้หรือเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เรามีศรัทธามีความเคารพรักก็ได้หรือจะเป็นผู้รู้เจ้าก็ได้ตอนนี้ผู้รูเจ้าไม่อยู่แล้วก็เอาธรรมะ ก, ก็ได้เอามาักแปะกก็ได้เป็นกรรยานมิตรฉันว่าพอเราฟังธทำแล้วมีศรัทธาละอาละ่ะเราเริ่มเข้าสู่วิธีธรรมลกเข้าสู่วิธีธรรมละพอมีศรัทธานะพอมีศรัทธาเนี่ยพระเจ้าพูดถึงจะจะมีการโยนิโสมนสิการโยนิโสมนัสิการเนี่ยหมายถึงการที่เราทําในใจโดยแยบคาย ในะมีการคิดวิเคราะห์พิจารณานะโยนิสโสมนัสิกานเนี่ยคือการพินิจพิจารณาในลักษณะของอริยสัจสี่นะคุณตัวจคือถ้าเราแบบไปคิดใคร่ครวโดยวิชาทางโลกอันนี้จะยังไม่ใช่ดิพบุเจ้าสอนนะคือบางคนไปวิเคราะห์ถึงอะตอมถึงอนูถึงระบบสมองถึงระบบฮอร์โมนอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่โยนิสโสมนัสิการจริง <Okay. S 2> นะแต่โยนิสโสมนัสิการจริงเนี่ยคือการการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญในในัยยะของอริยสัจสี นีคือทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรความดับไม่ลงทุกข์คืออะไรทางดําเนินคืออะไรสี่อย่างนี้ตั้งเองไม่ยากเลยแต่ถ้าเราคิดวิเคราะห์เหตุผลตัวความทุกข์เองเราจะแก้ยังไงทางก่อคืออะไรภู่มนี่แหละคือโยนิโสมนัสสิการแล้วพอคนเรามียนิโสมนัสชการตรงนี้คือเป็นลนักษณะของความเพียรอย่างหนึ่งเป็นความเพียรทางจิตด้วยน ะ, ะความเพียรทางจิตนี้ทําให้เกิดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจิตเราจะมีสติ นะสติตรงนี้แหละเป็นเป็นเหมือนกับการระลึกถึงสติสติเนี่ยแปบลบว่าความระลึกได้คือแทนที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปไปนึกถึงเรื่องไม่ดีไปคิดถึงแต่ปัญหาไปคิดถึงแต่ดาคนอื่นอา้าวสติเราตรงนี้แตกไปแล้วนะแตกไปแล้วเพนะระาะฉะนั้นเราจึงต้องรวบรวมสติมารวบรวมสติสัมปชัญญะนะรวบรวมสติตรงนี้นั่นก็คือสติปัตสัมมาเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตรงนี้นั่นเองนะพอเรามีสติสัมปชัญญะตรงนี้เรารวบรวมแล้วเนี่ย เรียกว่าเป็นผู้ที่มีการปิดกัน้ sea. นอินทรีย์ปิดกัน้นอินทรียคือหมายถึงการสำรวมอินทรีย์ sea, คือตาหูจมูกนลิ้นกายใจเนี่ยไม่ถูกจิตของเราไม่ถูกตาหูจมูกนลิ้นกายใจดึงไปคือหมายความว่ารูปเนี่ยมันจะมาดึงเราทางตานะหูมันก็จะมาดึงเราทางเสียงแล้วนะดึงเราไปไหนดึงเราไปเป็นเหยื่อของมานนะัรคือมารเนี่ยคุณเตือนใจมันจะมาปู้ยยี่ปู้ยแยเรานะมันจะมาดึงจิตของเราไปมันจะเข้ามาได้ทาง6ช่องทางตรงนี้ เพราะนั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการปิดกั้นอินทรีย์เนี่ยเราจะพลาดนะตกเป็นเหยื่อของมานได้แล้เพราะฉนั้นอย่างไอคนที่เขาทําชั่วทําบาปทําไม่ดีเนี่ยคือเพราะเพราะว่ามีเพื่อนไม่ดีมาล่อมาล้ว ล, ว, ล, ว, ล, ว, ล, ว, ลวงล่อลวงใช่ไหมมาชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยไอ <Okay. S 2> ตรงนั้นเนี่ยมันก็เข้ามาทางอินทรีย์เท่านั้นเองนะตาคูจมูกเลี้นกายใจหทางนี้จุกค่ะทีนี้ตรงนี้คืออินทรีย์6นะจะไปสับสนกับอนะินทรีย์ห้าอินทรีย์5ที่เราพูดเคยพูดมาก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา นี่คืออินซีห้าที่จะเป็นตัวทําให้เราตรัสรู้เร็วหรือตรัสรู้ช้าแต่นี่คือช่องทางอินซีห6ตรงนี้คือช่องทางในการที่จิตเราจะไหลเข้าไหลออกไ ด, ดนะ้เราจะปิดกันด้นอินซีได้พอมีการปิดกัน C, นะ้นอินซีหมายความอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ไมหลไปตามนะโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดนะหรือว่าไหลไปตามโดยลักษณะที่เป็นการแยกเป็นส่วนๆนะอันนี้หมายความว่าอย่างไงบางที ก็เราเห็นของที่สวยๆงามๆอย่างเงี้ยนะเราดูโดยรวมแล้วสวยอย่างสมมุติเราสั่งอาหารมาจานหนึ่งนะสั่งอาหารมาจานหนึ่งนี้โดยโดยรวมเนี่ยโอ้ดีมากเลยมีการจัดอย่างสวยงามแหมดูแล้วมันท่าทางจะอร่อยต้นนี้ก็มีอันนั้นก็มีนี่คือดูโดยรวมทั้งหมดนะหรือโดยดูโดยแยกเป็นส่วนๆเนี่ยอาหารจานหนึ่งมาเนี่ยเราดูแลโอ้โหอันนี้แยกเป็นส่วนองค์ประกอบนี้ก็ดีส่วนผสมนี้ก็ดีนะไอ้ที่มาประกอบเป็นอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยแล้วมันดี หรือถ้าคนดูคนรูปรอรูปสวยอย่างเงี้ยดูโดยรวมแล้วหน้าตาดีมากเลยนี่ก็อย่างหนึ่งหรือว่าดูโดยแยกเป็นองค์ประกอบเช่นผิวงามเล็บงามคิ้วงามนี่แยกเป็นส่วนๆคือบางคนเนี่ยแยกเป็นส่วนๆแล้วดูงามแต่พอมารวมกันแล้วดูไม่งามก็มีดูไม่ได้เรื่องเลยก็มีนะจ้าค่ะคือบางคนเนี่ยดูรวมๆแล้วไม่งามแต่พอแยกเป็นส่วนๆงามหรือบางคนดูรวมๆแล้วงามแยกเป็นส่วนๆอาจจะไม่งามอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ทั้งสองวิธี เราต้องคอยป้องกันไม่ให้จิตของเราไหลไปตามส่วนๆเจ้ค่ะ<อ>แต่ว่ามองในองค์รวมนะเจ้าค่ะใช่คือคมองในองค์รวมก็ตามหรือมองในแยกส่วน ๆ, ๆก็ตามเนี่ยจิตของเราจะต้องไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเจ้าค่ะทีนี้ต่อไปนะพอเรามีมีการสําสรวมอินทรีย์แล้วเนี่ยกายวาจาใจเราจะได้รับการควบคุมไปด้วยนะพอกายวาจาใจได้เราได้รับการควบคุมไปแล้วนี่สุดจิตสอย่างเกิดละ สุจริตคืออะไรคือกายอันเป็นสุจริตนะกายเป็นสุจริตนี่คืออะไรบ้างก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสามนะอย่างนี้ <Okay. S 1> ก็คือศีลหข้อ3ข้อแรกใช่ไหมประพฤติชอบทางวาจานะวาจาสุจริตนะก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดคำหยาบสีน่ะอย่างนี้แล้วก็สุจริตทางใจนะสุจริตทางใจนี่ก็มี3อย่างนะอย่างแรกก็คือการที่ไม่ไ ม, มีความเพ่งเลง คือความเพ่งเลงเนี่ยอย่างเช่นว่านักโทษที่เขาถูกจับไปด้วยการขโมยของอย่างเงี้ยเขาไปอยู่ในคุกเนี่ยเขายังไม่มีอะไรขโมยนะยังขโมยไม่ได้แต่เขาเพ่งเลงอยู่ตลอดว่าทรัพย์ของผู้ใดทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราอันนี้คือมีการเพ่งเลงจิตคนนี้เป็นเป็นจิตที่เป็นสุจริตละนะ <Okay. S 1> แต่นี้เราละตรงนี้ก็เป็นมโนสุจริตอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือความพยาบาทมคือเราละความพยาบามซะออกจากใจเรานะเห็นคนนี้มันทําให้ดีกับเรามากเราอยากให้มีความพยาบาม เพราะถ้ามีความพยาบามแล้วเนี่ยเราจะคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไหรเราจะทํามันคืนได้ฉันจะทํามันจะแล้งมันแต่เราให้เอาความพยายามนี้ออกไปที่เราเอาความพยาบามออกไปได้เนี่ยสืเนื่องมาจากการที่เรามีการสรํารวมอินทรีย์เพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะตรงนี้นะ <Okay. S 1> ทีนี้พอเรามามีการสรํารวมอินทรีย์มีมโน ม, โ น, มโนสุจริตมะโนสุจริตอย่างที่สก็คือการที่มีสมาธิฏิสัมมาธิฏิคือเชื่อเรื่องผลของการมบ้าง เนะชื่อเรื่องของการปฏิบัติตามเรียบมักมีองค์บ้างเนะชื่อว่าพ่อมีแม่มีเนะชื่อบาปเชื่อบุญเนะชื่อพระพุทธเจ้าตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะี่คือความเห็นที่ถูกต้องนะอพอจิตเรามีสุจริต3อย่างนะัคือกายวาจาใจอันเป็นสุจริตบางคนก็เรียกว่าเป็นกุศลกรมบท10อย่างนะสุจริต3ก็ตามกุศลก็มาบท10ก็ตามตรงนี้นะก็จะทําให้เรามีสติปัฏฐาน4ี่เกิดขึ้นได้ นะเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ี่บางกันเถอะน้ะจริงจริงสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยมันอยู่ในตั้งแต่ตรงสติสัมปชัญญะแล้วนะมันก็เป็นสติอันเดียวกันทีนี้พอเรามีสุจริสาอย่างเนี่ยมันเกื้อกูลกันเป็นอาหารของกันและกันน่ะทำให้สติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยยิ่งเจริญมากขึ้นนะคือมันเป็นขั้นเป็นตอนไปคุณตนใจมันจะค่อยเต็มค่อยเต็มค่อยเต็มไปนะโอเคอย่างอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็ต้องไหลไปย่อยก่อน ย่อยเสร็จปุ๊บก็ต้องมีผ่านการดูดซึมดูดซึมปุ๊บเซลล์ต้องรับต่อไปเซลล์รับต่อไปปุ๊บมีกระบวนการสังเคราะห์อาหารเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อใหญ่โตขึ้นมันเป็นกระบวนการแบบนี้นะเช่นเดียวกันพอเราทําไปถึงจุดที่มีสติ4อย่างนะคือสติประฐาน4ี่เนี่ยจเจริญละนะผูช้ชงจิตของเราก็จะเจริญ น, นะผูช้ชงจิตก็คือองค์ธรรมในการตรัสรู้จะเป็นองค์ประกอบที่จิตของเราจะต้องมีเพื่อที่ให้บรรลุทำได้นะพอเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนี่แหละวิชาวิมุติจะเกิดขึ้นละ เราจะเริ่มดับทูกดาลักตรงนี้จะเป็นกระบวนการไปเป็นสายไปนะเป็นลําดับขั้นผูนะ้ชา่ยวป ร, รียบเทียบตรงนี้เนี่ยเหมือนกับน้ําที่ไหลฝนที่ตกลงมาจากบนภูเขานะคือฝนเนี่ยมันตกจากที่ภูเขาใช่ไหมจากตามแหล่งน้าตามบนภูเขาแล้วมันก็ไหลมาทําให้ซอกผาซอกเขาซอกห้วยเนี่ยเต็มขึ้นมาได้ พอซอกเขาซอกผาซอกห้วยน้ําเต็มแล้วบึงน้อยๆก็น้ำเต็มบึงน้อยๆน้ําเต็มแล้วบึงใหญ่ๆก็น้ําเต็มบึงใหญ่ๆน้ำเต็มแล้วแม่น้ําน้อยก็เต็มฝนยังตกไม่หยุดอยู่นะยังตกอยู่เรื่อยแต่แม่น้ำใหญ่ก็เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มแล้วก็มหาสมุทรก็เต็มเราดูเขื่อนก็ได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจในที่เขาเก็บน้ําำนะะถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยฝนที่ตกเนี่ยคุณื่ใจมันไม่ได้ตกอยู่ที่ตรงหน้าเขื่อนนะคือมันไม่ได้ตกตรงสันเขื่อน นะมันสตกนู่นตามปา่าตามเขาภูเขาบนภูเขาแร่งต่างตกปุ๊บมันจะค่อยไหลามาไหลามารวมกันนะรวมกันโอ้ <c oughs> เป็นน้ําที่มากเลยท่วมกรุงเทพได้เมื่อปีที่แล้วนะนั่นก็เพราะว่าปริมาณ น, น้ําที่มันค่อยไหลามาไหลามานะมัน <c oughs> ไม่ได้มาที่ตกอยู่ที่กรุงเทพยอย่างเดียวนะ่ะเช่นเดียวกันไอตรงที่เราทําตรงเนี้ยเราค่อยคอย่ค อ, ยค อ, ยคอยทค่อยๆทําทำน่ะมันก็ไหลไปไหลไปนะคือเราครบคนดีเรามีเพื่อนอ่ะคุณเอาเพื่อนคุณมาดูนะลิสต์รายชื่อมาดูดูในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าดูในลิสต์ที่คุณเก็บโทรศัพท์เขาไว้อ่ะ มีเพื่อนดีสักกี่คนนะเพื่อนกินเหล้ามีกี่คนเพื่อนดีมีกี่คนเพื่อนชั่วมีกี่คนนะเอาเพื่อนชั่วออกให้หมดคบแต่คนดีพอนะ <Okay. S 1> พอเราครบคนดีแล้วเราจะได้ฟังธรรมะมากขึ้นนะไอ้ที่จะดึงไปเราทางชั่วเราจะน้อยลงพอเราฟังธรรมะมากขึ้นจิตเราจะน้อมไปในทางศรัทธาเราจะมีความมั่นใจในคําสอนพระเจ้านะพอเรามีความมั่นใจในคําสอนพระเจ้าแล้วจิตเราจะมีการโยนิโสมาสิการคือการทําในใจวิเคราะห์โดยแยบคายโดยนยัยยะของเรสสี แลนะพอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเริ่มมีสติสัมปชัญญะในจิตของเราลนะ<ม>นะสติสัมปชัญญะ ม, มีการสํารวมอินทรีย์ทํากายวาจาใ จ, าจา เ, เป็นสุดจริตพวกนี้จะเป็นอาหารของกันและกันนะจะเสริมทําให้สติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยจเจริญบริบูรณ์ขึ้นมาได้แนะจิตเรามีกําลังตรงนี้แล้วนะพอเรามีกําลังตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีโพชง7จนตะสมาธิก็อยู่ในนี้นะโพชง7อุเบกขาก็อยู่ในนี้นะโพชง7ความอิ่มเอิบใจความสบายใจความสงบระงับอยู่ในโพชง7หมดเลย นะจิตตรงนี้ของเราเนี่ยจะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงเราจะแบบ à, มีวิชาวิมุติเกิดขึ้นจะค่อยเป็นลําดับลําดับไปนะคือคือตรงเนี้ต้องอธิบายให้ทราบว่ามันจะไม่ใช่แบบระเบิดตมูมคุณมีวิชาวิมุติเกิดขึ้นแล้วจารูปเป็นพระหลนไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวคลยถูกไม่ได้นะจ๊ะไม่ใช่อย่า ง, งานั้นคือเรา จ, จะค่อยทําทไปทําไปนะคือวิชาเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นแสงสว่างมันก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะวิชามันก็ค่อยๆดับไปความมืดก็ค่อยๆลดลง นะความสะอาดของบ้านก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะ <Okay. S 1> แล้วก็จนถึงมันหมดที่สุดนั่นแหละเออจึงเป็นพระอรหันต์นะเอาตรงนั้นเรายกไว้ก่อนก็ได้เรายังไม่อยากเป็นพระอรหันต์ยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะเอาคว่าเราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทายัางไงให้เราไม่ยึดติดมากไม่ใช่ว่ายึดติดน้อ ย, อยจะดีเราไม่ต้องยึดติดเลยนะก็ยิ่งดีที่สุดแต่ทำยังไงให้เรายึดติดน้อยลงน้อยลง นะไอ้สิ่งที่เขามาพูดมาทิมแทงจิตจิตของเราทําไงเรามีความทุกข์น้อยลงตรงนี้แหละคือความสว่างของจิตที่เราต้องทําให้มากขึ้นตามลําดับลําดับเข้าใจไหมมันเหมือนกับเป็น <Okay. S 1> การทําความสะอาดการออกกําลังกายก็ค่อยๆออกมันก็มีกําลังขึ้นมาจิตเราก็มีความสว่างความใสความบริสุทธิ์ขึ้นมามากขึ้นนะเป็นลําดับลําดับไป <Okay. S 1> ทีนี้นี่คือลําดับที่1นนะึนี่คือกระบวนการหนึ่งน ะ, ะคุณมีทุก นะคุณจะทําศรัทธาให้เกิดขึ้นได้นะด้วยการที่ทําในลักษณะนี้นะคือต้องฟังธรรมต้องมีเพื่อนดีนะศรัทธาคุณจะเกิดนะพอศรัทธาเกิดแล้วในะอีกกระบวนการหนึ่งนั่นะนี่คือกระบวนการที่สองนะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นกระบวนการแรกนะนี่คืกระบวนการแรกนะที่ว่าจากามีการคบเพื่อนดีมีศรัทธามีการอยู่นิโสมีสีสันปัญญาจนกระทั่งทงําจิตของเราให้สว่างไสวขึ้นได้นี่กระบวนการที่น1 <Okay. S 2> นะมีกกระบวนการหนึ่ง กระบวนการ <ส mudar S 2> ที่2ก็คือพอเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราจะต้องมีศรัทธาในเห็นทุกข์จะมีศรัทธาได้ต้องมีเพื่อนดีต้องมีการฟังธรรมต้องมีการโยนิโสนะพอเรามีศรัทธาแล้วจิตของเราจะมีปราโมทนะปราโมทปีตินี่คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจพอเรามีศรัทธาเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีสุขนะมีจะมีสมาธินะขออภัยมีสมาธิเนี่ยมีสุขอยู่ในใจก่อนมีสุขในใจนะมีสุขในใจที่แบบไม่ต้องพึ่งพาจากสิ่งภายนอก เพราะเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกในการที่จะให้มีสุขเนี่ยสุขอันนี้คือสุขจากในภายในสุขจากในภายในตรงนี้แหละคุณเตือนใจจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงระดับของสมาธิที่เรามีนะบ่งบอกถึงระดับสมาธิที่เรามีว่าเรามีสมาธิมากหรือน้อย ค, นะคนที่จิตเป็นหนึ่งเนี่ยจิตเป็นสมาธิตรงนี้เนี่ยแหละนะคือจะทําให้เห็นตามที่เป็นจริงคือสมาธิตรงเนี้บางคนไปเข้าใจว่าจะต้องแบบนั่งหลับตาดูหนังตาไม่ยุ่งกับแคร์อันนี้ก็ก็ ที่พระเจ้าหมายถึงตรงนี้คือหมายถึงการทำจิตให้เป็นหนึ่งนะคือการทำจิตให้เป็นหนึ่งตรงนี้คุณจะอยู่ที่ทำงานก็ได้อย่างเวลาเร า, เาพิจารณาเอกสารอย่างเงี้ยหรือว่าทางานในที่ทำงานใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานอยูอ่พูดในที่ชุมชนพวกนี้เนี่ยนะต้องมีจิตเป็นหนึ่งหมดเลยนะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าเราจะมาหลับตาเวลาทำงานก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเรามีทาจิตให้เป็นหนึ่งจิตให้เป็นหนึ่งตรงนี้มาจากอะไร เหตุก็มาจากความสุขที่เกิดจากในภายในคือเราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกให้เราเป็นสุขไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้จะเปิดหรือไม่เปิดไม่เป็นไรหรือว่าจะมีเสียงดังเสียงค่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีสุขอยู่ในภายในจิตนั่นแหละเป็น1นึจิตเป็นสมาธิเป็น1ตรงนี้นะเพราะจิตที่เป็นสมาธิเป็น1ตรงนี้แหละจะสามารถเห็นตามสภาพที่แท้จริงได้เห็นตามสภาพที่แท้จริงของสรรพสิ่งได้ เช่นว่าสัมสิ่งที่ไม่เทียมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอันนี้คุณจะเห็นตามที่เป็นจริงละเรียกเห็นตามที่เป็นจริงละเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้ก็อาศัยอํานาจของการที่จิตเป็นหนึ่งเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่ไม่มีกําลังไม่เป็นหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เห็นตามที่เป็นจริงเราก็จะเห็นตามสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปยึดถือตามมันไปไหลตามมันไปแต่พอเราเพ่งพิจารณาให้ดีจิตมีเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นตามที่เป็นจริงพอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราจะมีความเบื่อหน่าย เบื่อนายตรงนี้ต้องบอกเลยหนึ่งไม่เหมือนกับเบื่อเส่งบางคนเบื่องานแล้วเปลี่ยนงานเบื่อเจ้านายแล้วเปลี่ยนเจ้านายเบื่อของที่นี้โยนทิ้งซื้อใหม่อย่างเงี้ยเบื่อรถก็เปลี่ยนรถเบื่อบ้านก็เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนจนมันหายเบื่อให้เบื่อแล้วมันยังเบื่ออีกเบื่อที่ได้มาใหม่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นความเบื่อตรงนี้ไม่ใช่เหมือนกับความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตรงนี้พระเจ้าใช้คําว่านิพิธาไอ้เบื่ออย่างที่เราเบื่อเบือนี่คือเบื่อเซ่งเบื่อเซ่งไม่เหมือนกับเบื่อหนายเพราะว่าเบื่อเซ่งเนี่ย จิตคุณไม่มีสมาธิแนะ่นอนจิตคุณมีแต่ความกำหนัดยึดถือในะมีแต่กามในะมีแต่ความอยากในกามแต่ความ <Okay. S 1> เบื่อหน่ายเนี่ยนิพิทาเนี่ยใช้คําว่านิพิทาและกันนะ <Okay. S 1> ความนิพิทาเนี่ยเป็นมีอํานาจมาจากสมาธิพอคุณมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงคุณจะหน่ายได้มีนิพิทาได้นะนี่ <Okay. S 1> ความแตกต่างกันแล้วข้อที่1นึ่นะแล้วความเบื่อเซง็งนะเบื่อเซง็งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะไปยึดถือสิ่งใหม mm. นะ่เพราะ <Okay. S 1> ความยึดถือเนี่ยยังมีอยู่เต็มๆเลยอยู่ในจิตใช่ไหม พอมันเบื่อสิ่งนี้มันก็ไปยึดสิ่งใหมนะ่เพราะว่าความยึดถือมันยังอยู่นะแต่ในขณะที่พอเรามีนิพิตาความหน่ายนะเราจะคลายกำหนัดเราจะปล่อยวางนะจะไม่ใช่ยึดถือเอาไว้แต่จะปล่อยวางนะจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันละแล้วก<ช>ควนะ็ความเบื่อเซ็งนะความเบื่อเซ็งตรงนี้นะมันจะทำให้งานเสียนะอยา่างบางคนไปกินข้าวเที่ยง2ชั่วโมงบางคนเล่นอยู่แต่คอมพิวเตอร์เล่นนั่นเล่นนี่งานการไม่ยอมทำบางคนเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์เพราะว่าพวกนี้เบื่อเซ็งทั้งนั้นเลยลจะทําให้งานเสีย แต่คนที่มีความนิพิธามีความหน่ายตรงนี้เนี่ยเขาจะปล่อยวางความยืดตื่นจากจิตของเขาได้ใช่ไหมทำให้เขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างุถ้าคุณต้องล้างห้องน้ําอย่างเงี้ยเหม็นคุณก็ทนได้เพราะว่าคุณมีความหน่ายแล้วปล่อยวางความเหม็นได้ทําให้งานเสร็จด้วยความรวดเร็วนะหรือว่าถ้าเราวาความยืดตื่นในงานทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีความเรียกว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะว่าทําด้วยความที่ถูกต้องเป็นกลางอย่างเงี้ยนะ ค, คูกค่ะอื นิพพาตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะเราปล่อยวางได้เพราะว่าเรามีความเบื่อหน่ายนะเพราะเรามีความเบื่อหน่ายปล่อยวางปุ๊บนี่แหละคุณเตือนใจปล่อยวางว้บนี่แหละเราสบายใจเลยความสบายใจเกิดขึ้นใหม่ตรงนี้เนี่ยคือวิชาวิมุตต์นะอย่างหลายๆคนนะที่เขามาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยพอเขากลับไปบ้านนะฟังคําด่าพวดาเมียดา่าลูกโบนเฮ้ยคนนั้นก็บน่นคนนี้ก็บน่นนะเราเราปล่อยวางได้ปุ๊บเนี่ยเราสบายใจทันที เราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแค่ลมปากธรรมดาแล้วก็อดทนเอามีเมตตาเอาตรงนี้คือปล่อยวางนะอยู่ในนี้หมดเลยนะทําให้จิตของเราเนี่ยสบายใจขึ้นตรงนี้ น, นี่คือกระบวนการที่สอง น, นี้คือกระบวนการที่สองนะในสองกระบวนการเนี้จะ ก, กระบวนการไหนก็ได้คือมันเป็นอันเดียวกันหมดนะอมันเป็นอันเดียวกันหมด หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะมีศรัทธามีสุจริต3อย่างเนี่ยมันก็ไหลไปวิชาวิมุติได้นะเวลาที่เรามีสมาธิเห็นตามที่จริงปล่อยวางคลายกำหนัดอันนี้ก็เกิดขึ้นในจิตไงอันนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตกระบวนการที่2ที่พูดถึงเนี่ยคือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตหมายความว่าหมายความว่าจิตพอมีทุกเนี่ยไหมพอจิตมีทุกเนี่ย ถ้าเราทํำสต้าให้เกิดขึ้นมีสต้าในจิตใช่ไหมจิตก็จะมีปราโมทพราะจิตมีปราโมทจิตก็จะมีปีติจิตที่มีปีติตรงนั้นเนี่ยช่ว่าจิตมีสุขแล้วเพะจิตมีสุขเนี่ยจิตนั้นชื่อว่าจิตที่เป็นหนึ่งคือเป็นสมาธิและจิตเป็นหนึ่งก็จะเป็นจิตที่เห็นตามที่เป็นจริงได้นใจิตเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตจะมีความเบื่อหน่ายและเบื่อหน่ายจิตจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็จะมีวิมุติเกิดขึ้นในจิตอันนี้นี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตทีนี้อย่างกระบวนการแรกทีี่่พูดดถึงวาาเรคคบกัน นะมีการฟังทรมีศรัทธามีการทำในใจพวกนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะกภายนอกไหลเข้ามาในจิตนะไม่ว่าจะกระบวนการไหนก็ตามก็ได้ทางนั้นนะก็เหมือนกับพระเจ้าเคยบอกกับว่าวิชาวิมุติเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นเป็นทางที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าไปถึงด้วยการมาการไปนะคือไม่ใช่เดินไปไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ว่ามีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบนะอย่างเราพูดถึงเจดี JD หลังหนึ่งอย่างเงี้ย มีเป็นทางขึ้นไปจากทางตะวันออกตะวันตกเหนือใต้มีทางขึ้นไปได้แต่พอขึ้นไปแล้วก็จะเป็นรวมอยู่ที่ห้องห้องโถงอยู่ข้างบนจินเจดีอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างอาคารบ้านเรือนอย่างบางทีอาคารใหญ่เนี่ยเขาจะมีทางขึ้น2ทางสาทางใช่ไหมมีลิฟต์สตัวสามตัวอยู่คนละมุมกันอย่างเนี้ยก็คุณจะขึ้นลิฟต์ตัวไหนก็ได้ก็ไปรวมอยู่ที่เดียวกันแลก็ไปถึงจุดเดียวกันเหมือนกันอืมเจ้าค่ะ น, น, นี่คือกระบวนการ2กระบวนการที่ที่ยากให้ดูในเบื้องต้นตรงนี้ก่อน เราก็อธิบายใ น, ในรายละเอียดของแต่ละอันนิดๆหน่อยๆได้โจคนะ ท, ที่นี้อ่าที่ต้องการจะพูดถึงก็คือว่าเวลาที่เราทําจริงๆเนี่ยเวลาที่เราทําจริงๆเนี่ยเราเริ่มจากหัวของมันนะแล้วค่อยไหลไปหลายไ ป, ยไปคือเริ่มจากเหตุนะออถ้าเริ่มจากเหตุแล้วทุกอย่างมันจะไปโดยเองอัตโนมัติน ะ, ะเพราะฉะนังในที่นี้เนี่ยเราเริ่มจากความทุกข์ที่เรามีนะเริ่มจากความทุกข์ที่คุณมีเลยคุณมีทุกตรงไหนเริ่มมันตรงนั้น คุณมีปัญหาตรงไหนเริ่มมันตรงนั้นนะถ้าเราเห็นว่าตรงนั้นเป็นปัญหาหเห็นตรงนั้นเป็นความทุกข์แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากเลยดีมากๆเลยนะคือไม่มีใครไม่มีปัญหาในโลกนี้นะคุณเตือนใจเขา้เขาใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะไม่มีใในโลกนี้ต้องมีเออย่างน้อยก็ต้องมีความทุกข์ต้องอะไรสักอย่างอนะเจ้าค่ะใช่ใชไม่มีใครที่เป็นสุขอยู่ได้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะคือบางคนอาจจะมีเงินมากนะมี ค, ะคนรอบตัวที่มีความสุขอะไรต่างๆ แ, แต่เขาก็ายังมีความทุกข์จากการที่เขาจะต้องแก่ เขาก็จะมีความทุกข์จากการที่เขาจะต้องตายอย่างคนที่นอนพังงาพังงานบนเตียงอายุเ0็ดแล้วเงนะี้ยนะลมหายใจทุกลมหายใจของเขานี่มีค่ามากมีค่ามากกว่าทองคําเป็นหลายๆกิโลด้วยซ้ำนะจุกค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้ามีทองคําหลายกิโลเอาไปซื้อลมหายใจต่อดึงสักลมหนึ่งก็คงจ ะ, จ ะ, จ, ะจะซื้อได้นะ ถ, ถ้าเขาจะมีขายอซื้อเล ย, เลยจุกค่ะเพราะว่าเขาต้องการเพราะเขาต้องการจะต่อลมหายใจของเขาออกไปใช่ไหมตรงนั้นแหละจะเป็นความทุกข์ที่เขาจะต้องมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเริ่มจากทุกข์ที่เรามีก่อนเลย เราเริ่มจากตรงนี้เราเข้าใจความ้ถูกต้องทํปาสตาให้เกิดมีการฟังธรรมะไปเรื่อยๆมันจะไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปจนกระทั่งทําวิชาวิมุตให้เกิดขึ้นได้อืมเจ้าค่ะเหมืนอมนตัวอย่างที่เราอุปมาอุปไมยที่พุทเจ้ายกถึงการที่มีน้ํำฝนตกบนภูเขานะทํามหาสมุทรให้เต็มได้นะอืมเจ้าค่ะค่อยๆไหลสะสมกันลงมานะเจ้าค่ะใช่ใช่ ท <Okay. S 2> น, นี้ความบริบูรณ์สมบูรณ์ตรงนี้ต้องพูดถึงนิดหนึ่งก่อนที่เราจะจะหมดเวลาตรงนี้ว่าความ <Okay. S 2> สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยมันจะค่อยๆมีขึ้นนะคืออย่างเรื่องของศีลของเราอย่างเงี้ยคุณทําศีลได้นะดีมากเลยนะบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะเราทํานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันยังไม่เต็มนะบริสุทธิ์อยู่แต่ยังไม่เต็มอย่างสมมุติเราต้องการน้ําสําหรับแสกติกไปเดินทางทางไกลอย่างเงี้ยเดินทางไปหลายๆกิโลต้องพกกติกน้ําไปด้วยใช่ไหมที <Okay. S 2> น, นี้เราก็ต้องเอาน้าบริสุทธิ์มากิน ทีนี้ถ้าเราเอาน้ําบริสุทธิ์มากินสักสองสหยดเท่านั้นเองเนี่ยอุ้ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นน้ำสองสาหยดเนี่ยบริสุทธิ์อยู่ดีอยู่แต่ว่ามันปริมาณมันไม่พอยังไม่บริบูรณ์นะบริสุทธิ์อยู่แต่ไม่บริบูรณ์เพราะฉนั้นตรงนี้พระเจ้าพูดถึงความบริสุทธิ์และความบริบูรณ์เราทำเนี่ยทำด้วยจิตที่เป็นบริสุทธิ์นะทําสตางค์ให้เกิดบริสุทธิ์อยู่นะแล้วก็ทําจริงๆนะทําบริสุทธิ์แล้วแต่ความบริบูรณ์ก็ต้องทําให้เกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะความบริบูรณนี้ค่ะ คำว่าความบริบูรณ์ตรงนี้หมายถึงความบริบูรณ์ในในศีลวัดปฏิบัติต่างๆถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะอ ย, อย่างความศรัทธาอย่างเงี้ยคุณต้องทําให้บริบูรณ์นะคือมีศรัทธาอยู่นะอย่าเป็นศรัทธาหัวเต่าศรัทธาเนี่ยดีมีดีมากเลยนะทำปุบปุโพลๆเอามันก็ไม่บริบูรณ์สักทีอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็บริสุทธิ์อยู่แต่ไม่บริบูรณ์เพรา ะ, ะนั้นเราทำให้บริบูรณ์ด้วยและบริสุทธิ์ด้วยนะเจ้าค่ะใช่สาธุเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทําไปตามกระบวนการนี้ ทำให้บริสุทธิ์และทาให้บริบูรณ์เราจะแก้ความทุกข์ได้นะเริ่มจากาทุกข์ที่เรามีนะทำสไตล์เกิดขึ้นได้หลายปหลายปนะด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์จะทำให้ความทุกข์ของเราหมดไปตรงนี้ได้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเราอ่ากก็เกิดมีดวงตาที่เห็นตามที่เป็นจริงนะเจ้าค่ะ แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายก็คือนายไปเลยก็สามารถวางทุกอย่างได้ก็จิตใจก็จะเป็นสุขเหมือนกับระวังสิ่งที่หนักๆที่เราแบกมานะเจ้าคะใช่ใ น, ในวันพุ่นี้ก็จะพูดถึงกระบวนการนี้อีกนะแต่อีกกระบวนการที่สามและกระบวนการที่สี่ นนดีเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วคงจะต้องตื่นมาตีห้พรุ่งนี้แน่นอนนะเจ้าค่ะที่จะพบกันในวันพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนสําหรับในชาวันนี้โยมก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารา บ, บุรุญกราบน้ำมการลาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะสําหรับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่ได้เมตตามาสนทนา ธรรมะหรือสาคชานะเจ้าคะ่ะขอกราบนมัสการลาและกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะเจริญพรสาธุเจ้าคะ่ะ